ที่จะพลัดตกลงไปในหลุมอุจจาระนี้อีกในที่สุดเขาย่อมพบกับความเน่าเหม็นเป็นทุกข์อย่างชกันทั้งยังต้องทุรนทุรายหิวกระหายไม่เลิกด้วยข้อความจากมหาศีหนาถสูตรเหล่าสัตว์เดรัจฉานแบ่งเป็นจำพวกต่างๆคือหนึ่งพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารเช่น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 ช่อโกงทรัพย์สินของคนอื่นเช่นมีรายได้เพื่อการอยู่กินที่ดีขึ้นโดยวิธียักยอกทรัพย์บริษัทถือเอาของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ยกให้เป็นนิสัย 3. ประพฤติส้ำสอนเช่นเห็นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องเลือกหน้าก็ได้จะลักกินขโมยกินด้วยการลอบขึ้นบ้านใคร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 แบบนี้ก็พร้อมจะดิ่งเข้าท้องสัตว์ในทันทีที่ตายเช่นกันการไปสู่ความเป็นสัตว์นั้นมีความหลากหลายและโดยหลักแม้พบของสัตว์เดรัจฉานจะเหมาะกับคนที่อยู่กินด้วยกรรมอนเนาเหม็นลามกแต่ก็ยังมีจําพวกของสัตว์ชั้นสูงแยกย่อยมากมายบางคนอุตสาหธรรมดีทั้งชีวิตแต่มาพลาดในขณะใกล้ตายเช่น ตายอย่างมีห่วงตายอย่างขาดสติตายอย่ง า, ายยงเหม่อลอยพร่ำเพอตายอย่างเศร้าหมองขาดที่ยึดเหนี่ยวพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายอบายเป็นที่หวังได้เพียงไรก็ตามเหล่าคนดีที่พลาดไปเป็นสัตว์เนี่ยบุญเก่ามักส่งไปอยู่ในอัตภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูคนเห็นแล้วอยากเลี้ยงอยากประคบประงม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 การไปสู่ความเป็นสัตว์คือการไปอยู่ในสภาพชวนสังเวชหน้าอเนตอานาดกรรมนิมิตที่ปรากฏในห้วงมโนทวารก่อนตายจึงเป็นความคิดคำพูดหรือการกระทําใดๆอันน่าอดสูชวนให้ทุเรศตนเองหากไม่ใช่นิมิตการทำกรรมอันน่าเศร้าหมองก็อาจเป็นคตินิมิตของสัตว์ที่ตนจะต้องไปเป็นเช่น คนจะไปเป็นลิงอาจเห็นแมกไม้ในราวป่ากับได้ยินเสียงร้องเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นต้นสิ่งที่เห็นในห้วงมโนโทวารก่อนตายมักเตือนให้ระลึกเป็นภาพรวมว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนเช่นไรเหมาะกับเผ่าพันธุ์สัตว์แบบไหนเช่นคนดุร้ายแต่มีความสง่างามน่าเกรงขามเหมาะกับสภาพแบบเสือหรือราชสี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 ที่คุณรู้จักเขาว่าโลกใบนี้ใบเดียวรองรับสิ่งมีชีวิตไว้ถึงประมาณสิบล้านสายพันธุ์กล่าวอีกในหนึ่งคือโลกนี้ยินดีต้อนรับผู้ก่อกรรมสิบล้านประเภทเหนือขึ้นไปบนฟ้ายังมีสัตว์ปีกลึกลงไปในดินยังมีสัตว์ใต้พิภพบเบื้องล่างลงไปในมหาสมุทรยังมีสัตว์น้าลึกซึ่งเหล่านั้น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 ยังไม่ค่อยมีสารอาหารซึ่งจำเป็นสูงสุดสำหรับสิ่งมีชีวิตอีกต่างหากแต่ทว่าความปักใจเชื่อเช่นนั้นถูกทำลายลงสิ้นนับแต่มีเรือดำน้ำไคโกะซึ่งดิ่งลงไปได้ถึงจุดที่ลึกที่สุดในโลกคือก้นบึ้งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีชื่อเรียกว่ามารินา t ทรนซ์ซึ่งลึกหนึ่งเมตรหรือราว11กิโลเมตร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 ดูมีความไม่ปกติในตัวเองหรือไม่ก็ชวนให้นึกไปว่าสัตว์โลกทั้งหลายสั ต, ต่อยากมีชีวิตมีเผ่าพัน์ของตนให้เต็มโลกโดยไม่สนใจว่าจะเป็นตรงไหนเหมาะหรือไม่เหมาะถ้าไม่เหมาะก็ค่อยปรับตัวเอาแต่ถ้าเหมาะอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับตัวดังเช่นมนุษย์เราและสัตว์บนบกอื่นการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโลก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 หนึ่งปีรวมแล้วเกิน 1,600 ล้านตัวส่วนสัตว์เล็กที่ค่ากันได้สะดวกโดยไม่ต้องผ่านโรงงานค่าสัตว์อย่างเช่นไก่นั้นยอดต่อปีเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยเรืล่าสุดตกราว 1,800 0ล้านตัวสัตว์เพียงห้าชนิดอันเป็นอาหารประจำของมนุษย์ที่กล่าวมานี้พากันตกตายไปเพียงปีเดียวก็เกินจานวนพลละโลกในปัจจุบัน